ไม่มีอภูษณ์แทรกด้วยนะมีแต่คิดโดยเฉพาะคิดอริยสัจเนะี่ยท่านคิดอยู่หกปนะีคิดคิดจนว่าถ้าไม่อย่างคืนสุดท้ายนะบอกถ้าไม่บรรลุไม่เอาแล้วไม่เลิกแล้วไม่ลุกอีกแล้วว่างั้นเถอะขอตายนั่งตายอยู่ตรงนี้นะแหละกระกว่าร่างกายานะร่างกายเนี่ยจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระก็ให้มันเหือดแห้งไป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 ท่านเข้าชานออกจากชานเป็นเรื่องปกติก่อนก่อนที่จะมานั่งโคนต้นโพนั่นพอมาถึงโคนโพนี่นะท่านนั่งเข้าชานแป๊บเดียวก็ได้แล้วแล้วใช้เวลารละลึกชาติอีกกี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงรละลึกชาติอย่างเดียวในะสี่ชั่วโมงแล้วก็พิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายอีกคําว่าพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายเนี่ยรวมไปจนถึงรวมไปถึงไหนรวมไปถึงกรรมที่นําเกิดด้วยไหม ไม่ใช่พิจารณาแต่ที่เกิดอย่างเดียวพิจารณาว่าทําไมกรรมเหล่านั้นไปนําเกิดนะที่นั้นๆได้อย่างไรกรรมไปนําเกิดนะที่นั้นๆได้อย่างไรท่านก็รู้ทั right? ้งหมดเมื่อรู้ทั้งหมดแล้วว่าถ้าอกุศลกรรมนําเกิดในอบายกุศลกรรมนําเกิดในสุขติเป็นต้นเนี่ยนะถ้ามหากุศลนําเกิดในกรรมมาพบถ้ารูปอรูปาวจรกุศลนําเกิดในอารมปรพบ ในรูปประพบและอรูปประพบเหนไหแล้วทำไมกรรมมันจึงนำเกิดได้นนะทำไมกรรมมันจึงนำเกิดได้ก็เพราะตัณหาและอุปาทานทำไมตัณหาอุปาทานจึงนำเกิดได้ก็เพราะไม่รู้นนะไม่รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งไม่กาหนดรู้สิ่งที่ควรกาหนดรู้ไม่ละสิ่งที่ควร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 แล้วทำโสดาปฏิมักให้แจ้งเอ่อเจริญโสดาปฏิมักทำโสดาปติผลให้แจ้งปัจจเวกขณะยานอย่างบริบูรณ์แล้วเจริญวิปัสนาใหม่นน เ, เพื่อให้บรรลุเป็นพระสกท า, าคามีพอเป็นพระสกท า, าคามีก็ไข่ครวญทุกแง่มุมในภูมิของพระสกท า, าคามีจนสําเร็จแล้วเจริญวิปัสนาอีกจนเป็นพระอนาคามีก็ไขนะ่ครวญอันนั้นไข่ครวญคุณธรรมของพระอนาคามีอย่างละเอียดทีละเอียดทีทั่วแล้วก็เจริญอีกจนเป็น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 นี่ก็เหมือนการสมทะต้องไปรับอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วทํำยังไงจึงจะไม่โกรธถ้ารับอารมณ์ที่ดีแล้วทํำยังไงจึงจะไม่ไม่โลภรับอารมณ์ที่ทั่วๆไปทํายังไงไม่ลุ่มหลงกลับเป็นผู้รอบรู้สิ่งนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วยังไงวัตถุกับอารมณ์ก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ต้องมีอยู่แล้วนะโดยวัตถุกับโดยอารมณ์พ่านจะต้องใข ว, ว่คว้วัตถุอย่างละเอียดใขวรร่คว้อารมณ์อย่างละเอียดจนสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่ง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 ทีนี้ทำสองที่ควรละคืออวิชากับภวะตันหาอาวิชาคือความไม่รู้อริยสัจภวะตันหาคือความยินดีเพลิดเพลินในพบแล้วละละทำสามที่ควรละคือตันหาสามทำสี่ที่ควรละคือโอคะสี่เนี่ยนะกิเลส ท, ที่เป็นเหมือนห้วงน้ําที่ท่วมทับทำห้าที่ควรละคือนิวรห้าทำหกที่ควรละคือ ตันหากายะหกทำเจ็ดที่ควรละคืออนุสัยเจ็ดทำแปดที่ควรละคือมิชตะข้อปฏิบัติผิดแปดทำเก้าที่ควรละคือทำเก้ามีตทำมีตันหาเป็นมูลเก้าทำสิบที่ควรละก็คือมิฉตะสิบเดี่ยวนะทีนี้เราก็มาคิดดูว่ายามเมื่อตามมองเห็นเราจะละตันหาสามได้ยังไงะตามองเห็นสิ่งที่ควรละคือตันหาสาม ตามองเห็นเนี่ยสิ่งที่ควรละคือวิชากับภาวะตันหาตามองเห็นสิ่งที่ควรละคือคืออะไรคือนิวรห้าคือตันหาหกคืออนุสัยเจ็ดคือมิ ช, ชะตะแปดคือทำ ม, มีตันหาเป็นมูลเก้าสมมุติถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราจะละสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเราจะละสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงใช่ไหม หูได้ยินเสียงเราจะละไอบาปอากุศลทั้งหมดเหล่านี้ได้ยังไงจมูกรู้กลิ่นลิ้นรับรู้รสกายรับกระทบโพธาพะใจคิดไปเรื่อยเนี่ยนะมันจะละออกุศลธรรมทั้งหมดเหล่านี้ได้ได้อย่างไรเนี่ยนะแต่อันนี้คือโจทย์ใช่ไหมแต่ก็ไม่ต้องแปลกในสติปัฏฐานเนี่ยนะบอกไว้ชัดเจนใช่ไหมผู้ที่จะละจริงๆเนี่ยก็คือเช่นถ้าอย่างทวารตารู้ชัดจักษุรู้ชัดสีคือรูปเนี่ยนะ รู้ชัดกิเลสที่มันอาศัยตากับสีเกิดขึ้นกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นรู้หมดเลยว่าทาไมกิเลสมันจึงเกิดขึ้นแล้วกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นรวมถึงวิธีการละมีกี่วิธีละด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นแล้วละได้เด็ดขาดด้วยประการใดก็รู้ชัด ประการนั้นด้วยจนรู้ละละแบบเด็ดขาดจริงๆเลยในปหาตปรธรรมที่เราจะเรียนต่อไปเนี่ยคือละกิเลสแบบละเด็ดขาดเลยละเด็ดขาดละเด็ดขาดนี้เรียกว่าสมุเทเฉทะปะหานนะสมุเทเฉทะปะหานเนี่ยเป็นชื่อของโลกุตระมักอย่างโลกุตระมักเนี่ยมักมีสี่ระดับใช่ไหมคือโซดาปฏิมัก สกะธาคามีมรักอนาคามีมรักและอรหัตตมรักโซดาปฏิมรักษเกิดขึ้นนะนะอย่างสมมติเอาโซดาโสดาปฏิมรักเกิดขึ้นเนี่ยโซดาปฏิมรักเกิดขึ้ น, กกนละอัศมิมาณะเด็ดขาดไหมไม่เด็ดขาดทั้งหมดละมาณที่ไม่เป็นจริงนะมาณเนี่ยมันมันเช่นว่ามาณเนี่ยมันแบ่งเป็นมาณเก้าก็ได้นะมาณหนึ่งก็ได้มาณสามก็ได้มาณเก้าก็ได้ มานะหนึ่งก็คืออัศวิมานะอาหารการสำคัญตัวมากถ้ามานะสามสำคัญว่าดีกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่าเร็วกว่าเขาถ้ามานะสามถ้ามานะเก้าตัวเองเนี่ยดีเป็นคนประเสริฐแต่สำคัญว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าผู้ประเสริฐอีกทีหนึ่งเป็นผู้ประเสริฐสำคัญว่าเสมอเขาเป็นผู้ประเสริฐสำคัญว่าเร็วกว่าเขาเนี่ยนี่ก็แบ่งเป็นสามนะแล้วเป็นคน เสมอเขาอะแต่ส kind of er well, ําคัญว่าประเสริฐกว่าสําคัญว่าเสมอสําคัญว่าต่ำกว่าอีกสามแล้วเลวกว่าเขาสําคัญว่าประเสริฐกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขาอีกก็เป็นมา n ะเก้าเนี่ยนะเป็นมา n ะเก้าโซดาปฏิมักเนี really ่ยละมา n ะที่ไม่เป็นจริงเนี่ยนะไม่เป็นจริงก็คือเรียกว่ามา n ะตามเป็นจริงอ่ะนะคำว่ามา n ะตามเป็นจริงเช่นอ่ะก็สําคัญว่าตัวเองเนี่ยประเสริฐกว่าเขาเขาเขประเสริฐกว่าจริงจอ่ะ หรือสําคัญว่าเสมอเขาก็เพราะว่าเสมอจริงๆสําคัญว่าเลวกว่าเขาเพราะตัวเองเนี่ยเลวจริงๆอนะแต่ก็ยังเป็นมานะอีกอยู่ดีเพ้นมานะเนี่ยเด็ดขาดจริงๆละที่อรหัตตมรักใช่ไหมอรหัตตมรักเนี่ยละมานะได้เด็ดขาดอาวิชากับภวะตันหาเนี่ยอรหัตตมรักจ์ิงจักละเด็ดขาดตันหาสามภวะตันหากับวิภวะตันหาเนี่ยนะ วิภวะตันหาละเด็ดขาดด้วยโสดาปฏิมักวิภวะตันหานะภาวะตันหาที่เกิดร่วมกับสัสตตพิธิโสดาปฏิมักละเด็ดขาดแต่ความยินดีติดใจในรูปประพบารูปประพบยินดีในรูปประชาารูปประชาณารหัตมักจึงจะละเด็ดขาดอาวิชาละเป็นสมุดเฉดบริบูรณ์จริงๆก็ด้วยอะรหัตมักโอคาสีโอคาสีมิด ก <usual> ามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะวิโชคะเนี่ยนะโสดาปฏิมรละทิฏฐิทิฏฐิโอคะทิโขคะได้เด็ดขาดอนาคามีมรละกามโยโอคะได้เด็ดขาดอรหัตมรละภาวะกับอวิโชคะได้เด็ดขาดนิ่วรห้านิ่วรห้เนี่ยนะวิจิกิจฉาพระโสดาบันละได้เด็ดขาดกามฉันท่าธานาคามีละได้เด็ดขาดพยาบาทธานาคามีละละได้เด็ดขาด กุกุจพระพาณาคามีละได้เด็ดขาดส่วนทีนะมิทะพาหันละได้เด็ดขาดเนะอุทธะก็พระาหันละได้เด็ดขาดตันหาหมวดทกเนี่ยนะรูปปัตนหาสัพถะตันหาทั่วๆไปเนี่ยพระอนาคามีละได้เด็ดขาดส่วนธรรมะตันหานี่พาหาันเจงกะละได้เด็ดขาดอนุใสเจ็ดเนี่ยนะวิจิกิจานุสัยกับทิฐานุสัยเนี่ยพระโสดาบันละได้ เด็ดขาดภวะราคานุสัยกามราคานุสัยปฏิคานุใสเราเข้าไปกามราคานุสัยกับปฏิคานุสัยพระนาคามีละได้เด็ดขาดภาวะราคานุใสมานานุสัยอวิชานุสัยพระรหันละได้เด็ดขาดมิชตะแปดเนี่ยนะละได้จริงๆมิจฉาทิถีเนี่ยพระโซดาบันละได้เด็ดขาดมิจฉาสังกัะเนี่ยพระรหันละได้เด็ดขาด หรือพผ้านาคามีก็ละได้ละได้เยอะละผ้านาคามีละมิจฉาสังกปะได้เยอะมิชฌวาจาเป็นต้นเนี่ยก็พผ้านาคามีเนี่ยจึงจะละเออผ้ารหันจึงจะละสมบูรณ์ที่สุดนะนิชตะความปฏิบัติผิดทั้งหมดเนี่ยพผ้ารหันละได้สมบูรณ์ที่สุดทำมีตัณหาเป็นมูลเก้าก็ถ้าทั่วไปก็พผ้ารหันละได้เด็ดขาดฮัลโลกุตระมักโสดาปฏิมัก ถ้าพูดในยะสังโยชนินะโสดาปฏิมัคละสกายทิฐิวิจิกิจฉาศีลภัตปรามาสอิจฉากับมัชเชรยะห้าอย่างเนี่ยพระโสดาบันละได้เด็ดขาดเด็ดขาดไม่มีเหลือเลยนะด้วยอนุภาพของโสดาปฏิมัคทวนอีกครั้งหนึ่งนะมิจฉาทิธิทุกชนิดวิจิกิจชาข้อปฏิบัติผิดทุกชนิดมัชเชรยะกับริสยานี่นะ ตนีกับพิษยาพระโสดาบันละได้เด็ดขาดทสกาทาคามีธรรราคะโทสะโมหะให้เบาบางนถ้าเป็นถ้าร้อยเปอร์เซ็นตก็ละได้ไห้าสิบนะผ้านาคามีละอะไรละกามราคะความยินดีในวัตถุ ก, กามได้เด็ดขาดผ้านาคามีละความกโกรธได้เด็ดขาดเนนะ้าอาหารละรูปปราคะ